ฟังธรรมพวกเราเป็นอาชีพมันก็เราจินข้าวตอนเช้าก็ทานอาหารทุกวันแล้วเราก็อาหารใจก็เอาทุกวันเหมือนกันอาหารกายว้วนใหญ่เหมือนไก่หมูขึ้นตาโชช่างขายบอมีค่า คนอ้วนใหญ่ไล่ทำหมดราคามาเถิดพวกเรามากินอาหารใจคือธรรมะมีสติป้อนลงไปที่กายที่ใจให้มันสมบูรณ์ <c oughs> จะได้ขาดแคลนคนขาดแคลนอาหารใจเขาคนมีทุกข์คนมีความโลภความโกรธความหลง าอุดอมสมบูรณ์ไปด้วยาหารใจแล้วก็ไม่มีแล้วเช่งเหล่านั้นเป็นชีวิตที่เป็นอมะตะชีวิตนิรันดรนชีวิตที่ไม่เป็นอันอื่นเป็นหนึ่งเดียวในความรู้สึกตัวเราจงมาสรา้าง มาต่อมาสัมผัสมาซึมซั์เอาเข้าไปสู่กายสู่ใจทุกเวลาหนาที่ผานเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเรียนพยายามรูม้รู้สึกภาวะที่รู้เนี่ยมันจะเป็นภาวะที่ดู ต า, าที่ดูมันจะเกิดการเห็นต <c oughs> า, าที่เกิดการเห็นก็จะเห็นแจ้งถ้าไม่ตาไม่คมก็เห็นไม่แจ้งถ้าตาคมๆหน่อยก็เห็นแจ้งจเห็นเห็นความคิดถ้าบางคนไม่ไม่เห็นแจ้งก็จะเข้าไปอยู่ในความคิดบางคนมันเกิดเรศนา เป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งกายทายั้งจิตใจถ้าไม่เห็นแจ้งก็จะเข้าไปเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ไปนความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาส ม, ม่กันบางทีมันมีกิเลสกามลาคาปะปฏิฆะเกิดขึ้นเราไม่เห็นแจ้งก็จะพัดเข้าไปอยู่ในอารมณ์ รลบโลนกวนกวายแต่ถ้าเราเห็นแจ้งมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นอาการมันเป็นอาการของจิตใจมันไม่มีอะไรที่จะต้อง มากลัวมายิ่งใหญ่มันหลอกมันไม่จริงความจริงก็คือภาวะปกติเนี่ยภาวะที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยคือของจริงภาวะที่ไม่เป็นอะไรเร <c oughs> าจะตั้งชื่อไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรคือความไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนอะไร ของสิ่มันมันม่นคงก็คือความราู้สุดตัวอันนี้ใช่ได้สิ่งไหนมันไม่เทีย่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์สิ่งไหนมันมันเป็นทุกข์สิ่งนั้นไมควรยึดควรถือไม่ควรว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขี้หน้ามันว่านี้ผู <c oughs> กระจายโทน ตอนก็เห็นแบบนี้โอ้แต่ก่อนนี่มันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยมีสติอย่างดีมันเกิดอะไรขึ้นมาคิดขึ้นว่ามันปรุงแต่งไปเกิดเสียใจพอมาดูเขาจริงๆหนุ่มอูมันไม่เที่ยงไม่จริงหรอกพอเห็นว่ามันไม่จริงเท่านั้นหนุ่มอ๋อ ไม่มีท่าเลยจ้อยไปเลยวันปีิสุขก็เห็นแจ้งเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้ว่านบอว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้เลยหละนั่นแหล ะ, หละคือวิปัสนาวิปัสนาคือเห็นแจ้งอย่าไปอย่าไปคําอยู่อย่าไปลูบคลำอยู่ ให้มันเห็นแจ้งอ่ะมันมาให้เราเห็นลูกแจ้งในเรื่องเหล่านี้ลูกแจ้งในเรื่องลูกลูกแจ้งในเรื่องเวทนาลูกแจ้งในเรื่องของความคิดอารมณ์ลูกแจ้งในธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลนั่นและเรียกว่าวิปัสสนา อย่าไปหลบคำอย่าไปกลกเกือดให้มันเห็นชัดอย่าให้มันหลอกตา้อ่อนๆลงสักหน่อยนะพึ่งพให้มันเห็นแจ๊กเออขนาดนี้ก็พาว <c oughs> างทีมันหลอกแล้วหลอกอีก ขึ้นอีกขนันหลอกแล้วหลอกอีกก็ปล่อยมันหลอกอย่างนั้นมันก็ใช่ไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าทวงพระเจ้าสงขารแต่ก่อนนี่เราไม่รู้จับเราได้เรื่องไปกับสงสารเป็นเอนกชาติ มันเกิดลกเ ก, ดเ ก, ดกเกิดช้างเกิดสูเกิดทุกเกิดคิเล่นตานักวุ่นเวกับเจ้าวันนี้เรารู้จักเจ้าเสียจแล้วเจ้าจะทำอะไรให้เราไม่ได้อีกต่อไปาแล้วก็ขลาดต่ันกนาร <c oughs> ปฏิบัติธรรมเ น, นี่ยต้องแล้ก็มีเส้นผมบังผูเขาหน่อยลัง ทำในใจให้แยบคลายไม่ใช่ลึกลับนะมันมาหเห็นแจ้งหมดทุกอย่างสติก็ไม่ใช่ลึกลับเห็นความคิดความคิดก็ไม่ได้ลึกลับอะไรเห็นเวทนาเวทนามันก็ไม่ลึกลับอะไรมันเปิดโจ้งออกมาทนโทษออกมาโอ้ไอ้นี่คืออะไรเห็นอารมณ์เห็นธรรม มันก็หม่ลึกลับซับซ้อนมันก็บอกเก่งๆต่อเราเราก็ไม่อยากรู้ไม่ได้กลบเกือนไม่ได้ทับเอาไว้เหมือนสมาถะเป็นหินศิลาทับยา่าเหมือนกับเพ่งเอาไว้สร้างสติเป็นอัฏฐจิวัานุโยค ก, ก็ไงนะการเจริญสติเป็นอัฏฐจิวัฒานุโยกเพ่ง สติไม่อยากพูดอยากจ้ากับใครไม่อยากทำอะไรปฏิเสธหมดทุกอย่างนั่นแหละ อ, อัตชจิทธาดุโยกไม่ใช่มัชฌิ ม, มาปิปิบทาให้มันชัวช์ๆไม่ใช่เจ่งเึิมไม่ใช่ถนอมเราต้องอะไรมันจะเกิดอะไรมันจะเกิด ไม่กลัวให้มันเกิดขึ้นมาอาก็เห็นได้โหยก็ได้ยินอ่าไดเยินได้เห็นได้ไปได้มาไปได้เห็นว่ามันอะไรฉะเฉลยได้อืมมันเรย่องอืมมันเป็นป น, นี้ไม่มีการบ้านอืมอืมทำมาอื้ออองเลยทามาเออในระ่าชัยยพูมันดีมันเห็นแล้ว มันก็เขื่มแข็งเห็นความคิดก็ <c oughs> นะเห็นเวทนาก็ <c oughs> เห็นธรมรมที่มันเกิดขึ้นเป็นผู้นแล้วผู้ชนก็เห็นเรื่องของกายเรื่องของจิตเข้าใจมันคำว่าอือ <c oughs> คือมันลึกซึ้งแล้วมันเห็นแล้วอเมื่อขอให้มันแล้วเข้าใจแล้วอะไรคือ ทำอะไรคืออาธรรมอะไรที่ <c oughs> ควรเกี่ยวข้องขนาดไหนเพียงไรเกี่ยวข้องด้วยบรรเทาเกี่ยวข้องด้วยําหนดลูกก็รู้แล้ว <c oughs> เกี่ยวข้องโดยการละไม่มีอะไรไม่เหลือหรอแต่เป็นฌานก็เผาไหมแล้วไม่แล้ว ฌานก็เผาแล้วเพ่งเผาแล้วมอดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วไม่มีซากแล้วไม่มีกลิ่นไอแล้วเผาแล้วฌานจริงๆก็คือสตินี่แหละสติที่มันเข้มแข็งอย่าไปนว่าปริเสธเยสติที่มันเข้มแข็งนี่ดูปับมันเผาไปแล้วลูปปับมันเผาไปแล้ ว, ลปปลวทูงสุดคือสติฌานนะัง มีสติแล้วเล่อยู่ไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาอะไรหนอเดินตาอยู่นี่แหละเดินอยู่นี่แหละอ่าทํางานทํางานอยู่นี่แหละปวดบ้านทุสลาทําครัวอยู่นี่แหละป่าปื่อยอยู่นี่แหละตาข้าวอยู่นี่แหละเห็นไหมโอ้ยหลังป่าเปืนอยู่นั่นตําข้าวอยู่นั่นเรามีฉาน แต่ลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ลูกคำอยู่ไม่มีฌานเลยลูกศิธิ์อยู่กับอาจารย์อริยายกองที่ห้าคนที่สุดคนผ่าพื้นคนตำข้าวมีฌานมีตะปะมีความรู้สึกตัวอืมเพราะฉะนั้น ความรู้สึกตัวเนี่ยให้เป็นความรู้สึกตัวจริงๆอย่าปนอย่าเพ่งอย่าไปหาเหตุหาผลอย่าไปออกความชอบความไม่ชอบอย่าปฏิเสธเหมือนตาเราเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธอะไรเดินไปพอจะเห็นอะไรก็เป็นเรื่องของมันพอเห็นแล้วมันก็รู้แล้วไม่ได้เพ่งกับการเห็น ไม่เลยเข้าไปอยู่กับการเห็นเห็นแล้วก็แล้วแล้วสําเร็จประโยชน์แล้วสําหรับตาจะใช่เดินทางก็สําเร็จแล้วแต่ใช่ดูหนังสือก็สําเร็จแล้วจะใช่ดูนาฬิกามันก็บอกแล้วสําเร็จแล้วจะใช่ดูอาหารการกบทฉันเรดูแล้วสําเร็จแล้วขออย่าให้มันเกินนั่นแหละ ถ้ามันเกินนั่นไปมันก็ยาวไปละก็ปรุงแต่งไปไม่เฉพาะเรื่องอ่าสตินะรู้แล้วเอาเอาคุณภาพของสติคือรู้แล้วอเห็นกายก็รู้แล้วเห็นเวทนาก็รู้แล้วเห็นความคิดก็รู้แล้วเห็นธรรมก็รู้แล้วอดส่นรู้แล้ว ผลสร้างผลประกอบอากุศลสู่แล้วผลละมันก็เป็นไปเองกุศลมันก็ต้องลาเองถ้าเป็นสติเอาเอ่ออกุศลมันก็ละเองกุศลมันก็ทําให้มากคเคลื่อนให้มากมันมันเป็นความถูกต้องเมือเราเคี่ยวอาหารพอไปถูกก้างพอไปถูกเม็ดหินพอไปถูกอะไรที่มันอยู่ในอาหาร มันก็เอาออกมันไม่เกินเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมวิจยะมันเชี่ยวมันไม่รับมันไม่รับเอาความทุกข์มันไม่รับเอาความโกรธมันไม่รับเอาความโลภความหลงถ้าเป็นสติมันจะย่อยออก จะเป็นธรรมที่เป็นกุศลในเรื่อว่ามันมันเป็นวิปัสสนาถ้าเราทำโถกนี่ให้มันเห็นซื่อๆเห็นยิ้มแย่มลักษณะการเห็นนี่มันเป็นอันเดียวภาะวะที่เป็นการเห็นมันเป็นอันเดียว าไม่ให้เกิดการเห็นเฉลยไมกว่าตัวเองมอจิเลสสองสามปีมาแล้วผมมีสติแขางเต็มที่ผมศรัทธาปฏิบัตินี่มากๆปฏิบัติอย่างนี้ผมศรัทธาผมมั่นใจฮะขอขอมาเห็นขอมันเกิดคิดขึ้นมาเกิดปรงแต่งขึ้นมาเซซัดเซโซไปหน่อยนึงขอตั้งหลักได้ อ๋อมันก็ได้หลักกันมาวันได้หลักกันมาเจ้าเลยกิเลสเกิดขึ้นทําให้ชนะกิเลสความกลัวเกิดขึ้นทําให้ชนะความกลัวความทุกเกิดขึ้นทําให้ชนะความทุกเราจริงๆริงเราตรงนั้นเราเป็นสนามโลกถ้าไม่ใดโลกอะไรเลยไม่ไดโล้กแกล มันก็ยังไม่เกยงหรกเราขอให้เกิดขึ้นมาเกยงเราได้ลบมันโอ้มันมีฝีมือมันหลวงพ่อกลัวสมัยบวชใหม่ๆก็เอาคนที่ถูกฆ่าตายมาฟังวใกล้ๆกับกติเพราหลวงพ่อสมัยก่อนก็ชอบอยู่ใกล้ๆเพื่อน ถ้าเป็นวัดป่าสุโกโตก็โหลเล่าเหติสิบสามนั่นหละที่ไหนไกลก็ไปอยู่คนตายโหงเนี่ยเขาถูกฆ่าตายเขาก็ไม่ฝังไม่เผากับศพนอื่นเขาไปฝังไปไกลั่นป่าชา้าก่อนที่เขาฝังก็ไปดูไปดูเขาเขาเหีบศพมาทำเป็นสระดานปูพื้น เปดแล้วพูดอีกไปเทศบออกลากเอาเห็บศพมาตีออกเป็นแผ่นเป็นแผ น, นแล้วไปแค่น้ำมันมีหลุมดินที่เขามาขุดโดหินน้ามันฝนตกหรืโดนนี่แหละน้ามันขังก็เลยไปแค่ในน้ำเป็นเดือนแล้วเราขึ้นมาซื้อแปลงมาเอาแปรบมาขัดขัด อย่างดีเพราะว่ามันคนตายถูกฆ่ามันเน่าใสแล้วกเอามาตากแดดก็ไปพูนอนพอพูนอนก็มีกลิ่นเหม็นๆอยู่นอนไปกับกลิ่นเหม็นก็ฝันไปเลยพอเหม็นทีไรก็คิดเห็นศพเหม็นทีไรก็คิดเห็นศพก็คิดไปเขาก็หลับไปกับความคิดก็ ค, คิดตัวมันก็กลายเป็นความฝัน อมฝันก็ฝันเห็นศพที่มันติดตาเราอยู่ปาเลือกถลนเน่าเหม็นน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกจากแก้จมจากปากเออขึ้นอืดมันเกลี้ยงมามันเกลื้ยงมาหาเ้าก็มีคาถาเล่าคาถามันก็เกลื้ยงออกไปพอหยุดเล่าคาถาศพเ้าก็เกลื้ยงเข้ามา เราก็เล่าคาถามมันก็เหนื่อยโซก็อยู่แหละเพราเหนื่อยมันก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามันก็กลัวคิดกลัวเอออาจจะเป็นผีหลอกจริงๆไหมตื่นขึ้นมานั่งในมุ้งมันยังเหม็นอยู่ต้องเอาเมือมาปิดจมูกโดนรอบตัวเราเลืนตาโดนปลุกเปลยให้ตื่น อ, อ่ามันมันก็คิดถึงเพื่อน อ, อ้เราจะต้องไปหาเพื่อน เาต้องหาเพื่อนเพื่อนก็อยู่ไกลแล้วเกินโน้นก็ติโนนเราก็เดินทางเดินไปก็ไปผ่านหลุมฝังศพนั่นเองอ่ะแต่แตเพื่อนเราก็จะว่าไงเพื่อนเราก็จะว่าเราโง่แหละไปกลัว อ, อะไรมันน่าอายอายเพื่อนเขาถ้าเราไปนี่เราไม่สติขนาดถ้าเราไปเน้่ยเนี่ยตัวมันจะวิ่งนะมันกลวัว ออืมถ้าเราเป็นองค์ บ, บ้านแล้วกผีหลอกเราขนาดนี้จัง ก, กลัวผีหลอกวิ่งหนีเลยเลยนะอวามกลัวนี่หลมันจะไปหาเพื่อนพว่ามันผีหลอกผีหลอกนี่มันจะใช่ได้ไหมนะอะมันจะใช่ได้ไหมเราเป็นพระมาว่าผีหลอกเลยให้บ้านเขาสิเขาจะไปว่าไปพูดไปจ่าอะไรคิดขึ้นว่าอืไม่ไปเขาคิดไม่ไป สู่ความกลัวพอสู่ความกลัวอืเราเคยสร้างสติแบบนี้พอยกมือทิ้กมือสร้างจังหวะทมือสร้างก่ความเน้นก็หายไปเกิดความไม่กลัวตั้งแต่ บ, บัดนั้นขึ้นมาตั้งแต่นั้นเราวันนั้นแหละคําว่ากลัวผีนี่ไม่มีเลยแบบนี้โอ้ความกลัวมันสอนให้เราไม่กลัวจริงๆนะน่า ม, มันโอ๊้เราได้ปัญญาหเห็นความคิดหลอกตัวเอง แทุกมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจนมีกลิ่นเหม็นจากความคิดที่คิดไปฝันไปโปร่งแดงเป็นรูปวปนล่างขึ้นนะโอ้ยนี่แหละความโก้สอนให้เราไม่โก้กินเหลดสอนให้เราหมดกินเหลดชนะกินเลดได้ความทุกสอนให้เราชนะทุกได้ตรงนี้นะทีปพัชนาณนะอย่าไปคกบกอน มันจะเกิดอะไรเราจะดูมันเนี่ยดูมันก็ยังไม่มีญาณไม่มีฌานไม่แก่กล้าไม่มีญาณก็คิดแล้วโลแล้วความคิดหมดไปูลอีกก็ไม่เป็นไรนั่นแหละดีอยา่าไปนึกว่าเราผิดเราถูกอะไรแต่มันเห็นความคิดว่ากลับมาโล่เจิดตัวมันสุขเห็นความสุขกลับมาโล่เจิดตัวมันทุกข์เห็นความทุกข์กลับมาโล่เจิตัวมันปวด ม, ม, ม, มันเมื่อยมันหิวอมันจะเกิดอะไรขึ้น รูดสุดตัวรูดึุดตัวตัวเน่ต่างหากที่มันจะเป็นหลักแต่ตัวเน่มันเจ๋งกล้ามันก็เกิดหยานทะลุทะลวงถ้าเราไม่เคยฝึกเลยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะแก่กล้าดิแท้เรามีหลักเราจะให้เป็นอย่าง น, นั้นเลยไม่ได้เราจะให้มันเกิดความเฉลาดนั่นเลยมันก็ไม่ได้มันไม่มี บาลามีมันไม่มียานมันไม่มียานยานไม่แก่ยานของเราคือมันจะทะลวงทะลุออกไปคือความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวมันก็เกิดยานเกิดความเจกล้าความรู้กับความหลงมันก็มากขึ้นความรู้สึกตัวก็มากกล้ไปเห็นอะไรความรู้สึกตัวไปวัดไปเหวี่ยงไปเทียบไหลกับอาการต่างๆความรู้สึกตัวก็ได้ชัยชนะ ทุกทีทุกทก็เกิดเป็นศินละปะเหมือนกันนักมวยทุกทีเลยก็ชนะทุกทีทุกทีเลยก็ชนะที่ก็ติดอันดับเราเป็นแชมป์ไปเลยการฝึกตนเนี่ยก็เหมือนกันให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างนี้แหละถูกต้อง แม้ว่ามันไม่เป็นอะไรมันยังไม่อะไรก็คําว่ารู้สึกตัวนั่นแหละตัวปฏิบัตินั่นแหละกำลังเดินอยู่ อ, อีกสักวันอีกสักหน่อยมันก็เกิดจะเอหรือได้ใจชนะตัวเอง่ใช่ชนะก็เเิยอะไรที่มาเกิดเกิด ข, ขึ้นกับตัวเรากับกายกับใจเนี่ยชนะหมดเลยเหือนไม่ว่าอะไรก็ตามนะ ในวิธีที่เราทำอยู่นี่มันซึ่งหน้าจริงๆมันไม่ได้หลบได้หลีกไปไหนสิ่งที่จะเป็นกิเลสสิ่งที่จะเป็นตัณหาสิ่งที่จะทำให้ทุกเกิดชาติชรามรณะโสกะบริเทวาทุกมันก็อยู่ตรงนี้เลยมันซึ่งหน้ากันจริงๆริเราก็มาเรียนในสนามลกจริงๆริลงสนามจริงๆริง ไม่ได้ไปอยู่ในหับในห้องอะไรลงสนามสั้งแพ้ทังชนะไปก็ไม่เป็นไรแต่ต้องก็มีบทเรียนมีประสบการณ์เกิดความโวงถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไป่มงนั่งฟังลำตลอดคืนมันก็ไง่มงพอมายกมือช่างเกเกิดควา ม, ม่วงขึ้นมานี่ของจริงมันต้องเป็นอย่างนี้ เห็นในวรเห็นความคิดเห็นความลังเลสงสัยเห็นการมมาลาคะคิดหน้าคิดหลังอ่าก็อยู่วัดทามาไปก็ในผู้ปฏิบัติอยู่เขาก็กกค่อยไปเยี่ยมอยู่เรื่อยบางวันต้องไปโทรแล้วเราแกวัดไปโทรหาลูก เป็นห่วงลูกชายมันจินเหล้ามันเอาเงินไปใช้เนี่ยให้หรือเปล่ารัวฟังนะรัวฟังอย่าให้ความคิดหลอกนะอย่าให้มันหลอกนะบาทีความคิดมันพาไปอย่ไปห่วงเลยมากลู้เท่ารู้ทันมานะบาทีต้องไปชวนพระไปโทรทรศัพท์ตูสอเทรณะเป็นความคิดหรือเปล่ามันจําเป็นไหม จะเป็นต้องไปหรือเราท่วงกําลังชวนกันจะไปไหนล่ะหลวงพ่อจะไปโทรเนี่ยไปโทรอะไรว่าให้ลูกชายมันเบิกเงินไปใช้หนี้ทรกอคอนมันจะไปใช้ไหมหรือว่ามันเบิกเงินแล้วมันเอาไปซื้อเหล้ากินมันถูกความคิดหรือเปล่าไม่ใช่ความคิดไปหรือคิดก็มาเองเลย ถ้ามันจะใช่ก็มันจะใช่จะว่าไงถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปก็ได้หรอก็ ก, กลับม า, าความคิดระวังนะมอาจะหิ้หัวพาไปโทรศัพท์ก็ได้มันคิดอะไรมากขนาดนะั้นทิ้งมันเลยอยาให้ความคิดมันใช่เราจงขานี่แหละจะห่วงอะไรไม่ต้องมาปฏิบัติ เรามันสวนทางกันลองดูต้องทวนกระแสลองดูมันจะคิดรุนแรงขนาดไหนอ่ามันเคยมีลอลวงพออ่อเอาหนังพอมาปฏิบัติโยก็คิดถึงหลานมาลาโอ้หลวงพอ่อมันเรื่องไม่ดีแล้วทั้งบ้านสงสัยหลานมันเป็นอะไรบ้านหลานมาอยู่คนละฝั่งทางบ้าน ผมก็อยู่ฝั่งทางข้างหนึ่งบ้านลูกสาวหลานมันก็อยู่ฝั่งทาง้างหนึ่งทุกวันผมจะต้องดูแลหลานมันวิ่งข้ามถนนไปมาหรือว่ามันจะรถถูกชนรถชนแล้วก็ไม่รู้ผมฝันไม่ดีเลยเมา่อคืนคฝันนี่หลานเวาลากลับบ้านไปดูหลานไม่ทำไปหรอกคนคิดน่ะหลานทำเป็นเลยผมถ้าฝันอะไเนี่ยผมก็ไม่แน่หรอกไม่ใช่ เราไปเชื่อมันผม้วคยนอนคิดถึงหลานมันก็ฝันไปแล้วนะเออใช่ไม่ต้องไปหรอกถ้าให้ผมเฉลยผมก็จะบอกว่าอีกไม่กี่วันหลานจะมาเยี่ยมนลยนะเยิ่ยมขึ้นมาใช่เลยใช่เลยใช่ไม่ต้องไปหรอกอ่ะอะไรเงี้ยเลยอะไรเงี้ะไม่ต้องไปอีกไม่กี่วันหลานจะมาเยี่ยมเลย หน้าตาค่อยยิ่มขึ้นที่แรกมาลากับหน้าไม่ค่อยดีคิดห่วงหลานพอมาว่าหลานจะมาเยี่ยมนดีใจขนาดอ่ะพายามกลับไปอ้าวไม่เชีนหลานมาเยี่ยมจริงๆนคุณดุดโอ้ยว้าเลื่มาพาหลานมากราบหลวงพ่อหลวงพ่อพูดโพูดโตพูดโตอ้ามันความคิดนะ ไม่เควันเพิมลงนะบางคนน่ยเอากิงเอาจังกับความคิดเอากิงเอาจังกับความฝันเอาผิดเอาถูกจนไม่มีตัวมีตนอาจจะว่าตัวคิดแล้วแต่ว่าถูกทั้งหมดไม่ใช่หรอกบางทีบางคนแต่ว่าจริงแบบนั้นสมัยก่อนหลวงพเป็นหมอเศยษฐศาสตร์ นิมิตบางเทีมก็จริงเหมือนกันแต่บางทีมันก็ไม่จริงเหมือนกันอันที่เป็นนิมิตนทุกคนก็เป็นอย่างนั้นอถ้าเราไปคอยที่จะใส่ใจเรื่องนั่นเรื่องเดียวมันก็เข้าไปอยู่ในสภาพเพี้ยนอะไบางคนก็หลงตัวไปเลยอ่า มันมามีสติรู <c oughs> ้สึกตัวนะจริงกว่าจริงจริงจริงควารู้สึกตัวนะจริงกว่าอย่างอื่นที่เราตันหาไม่จริงดอกความฝันก็ไม่จริงเงียบก็ไม่จริงอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมันไม่จริงหอกเรารับใช้มันเราตกเป็นทาตมันมา เรามาสู้มาฮิตสู้มาทวนกระแสเอาอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมากกว่าเราด้วยประสาทสามฤดูเป็นเจ้าพามากริย์เป็นโอรสสาธิราชจะเป็นจักรพรรดิอยู่แล้วไหนจะต้องมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้อยู่องค์เดียวผู้เดียวต่างลง